มันไม่มันบกพ่องเราควรจะทำให้มันดีขึ้นในจุดนั้นอย่างเช่นชายคานะชายคาวัดป่าบันตาดประมาณ80เซน้นจากทล า, า, เ, าเวลาฝนตกมากเปียกมุดเวลาฝนลมพัดนิดหน่อ ย, ยนะหลวงพ่อเออมันชายคาน่นะสั่นเกินไปของเราควรจะเอาสักสเมตรนะ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 พระในแถวนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าพระกรรมฐานนี่ยอยู่ป่ารงพงไพห่างความเจริญถึงขนาดนี้นะพระคงไม่มากพระเขาคงจะอยู่แทบๆใกล้ความเจริญใ ก, ใกล้เมืองอันนี้พวกเราอยู่ในป่ารงพงไพอย่างมากกับพระก็ไม่น่าจะถึงเจ็ดปดองค์ห้าหกองสามสี่องค์พอเราบินทบาทมาฉันพอฉันเสร็จแล้วก็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 พอทําขึ้นมาก็เป็นวัดล้อมรอบขึ้นมามีจากนั้นก็มีศาลาหลังนี่ศาลาหลังนี่ก็ออกแบบอย่างที่ว่านในช่างรถไฟก่อนที่จะก่อนที่จะสร้างหลวงตากระดุพอสมควรอยู่ศาลาหลังนี้หลวงพ่อยังได้ยินเสียงหลวงตาดุกระทั่งเดียวในยุนในเอ็มพสมันเดือนไหนวั น, นวันที่เท่าไหร่หลวงพ่อก็จําไม่ได้ได้ยินเสียงหลวงตาดุ เดืงสลาวัดป่านาคำน้อยท่า <c oughs> <c oughs> นว่าท่านดูว่าสล า, าใหญ่เพราะใครมีคนไปไปร้องท่านให้กราบเรียนท่านท่านก็ได้ยินท่านก็ไม่ถามเราท่านก็ดุเลยเราก็ยอมรับเพราะท่านดุเราก็เถียงท่านไม่ไ ม, ไม่ไม่เถียงเหมือนกันจนกว่าในช่างรถไฟมาอีกกลมหนึ่งบอกท่านอาจารย์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 ข้าออกจากน้ำก็เสียศูนย์เสียทรงมันอีกมันจะน่าดูได้ยังไงขนาดนี้เราพอเหมาะแล้วเออเอาเอาเอาเอหลวงพ่อก็ตามใจให้พอสร้างขึ้นมามันชายคามันยาวกว่าทีคนมาเห็นมันมุดขึ้นมาจากป่าเนชายคามันบักใหญ่เยเขาสาราอาจารย์อินเนี่ยมุดอยู่ในป่าหลังมากใจญ่เ คำต่อคำปากต่อปากเนะี่ยไปกราบเรียนหลวงตาหลวงตาได้ยินทนะนั้นแหลอทําอินนะอะเมื่อเราบอกแล้วเนะี่ะทําไมทำมาะไรหลูงหลาโอ้อานะเรารับไม่ได้นะเพอเผยท่านอย่าไม่ให้เกี่ยววัดท่านอีกต่างหากนะไม่ใช่ธรรมดาได้ของตาเนะี่ยโอ้เราก็งอไปพอจงควรเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้จะทําไงมันขึ้นเป็นหลังแล้วจะลือก็ใช่เรื่องเท่านั้นะ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 <c oughs> จะไปเถียงท่านก็ไม่ได้จะไปชี้แจงก็เหมือนกันเราไปแก้ตัวหลวงตาไม่ได้นะถ้าท่านดูนะต้องฟังท่านฟังอย่างเดียวอนูน่นเ อ, อนานๆเลยเ อ, อจะค่อยเข้าไปกราบเรียนท่านถ้ามีอะไรใหม่ๆเลยไ ม, ไม่ใครเถียงขึ้นมาเนะ่ยไปอยาไปแก้ตัวในขณะที่ท่านดา่าท่านดูนะต้องฟังฟังลูกเดียวนปะิดถูกฟังลูกเดียวก่อน <c oughs> แต่นี่เราก็เอานายช่างมาบอกดังนั้นเราก็เลยบอกให้ในายช่างนายช่างไปกราบกราบเรียนท่านเออกราบเรียนท่านานะไม่ใหญ่ท่านอาจารย์ผมไปเห็นท่านสาลาท่านอินแล้วนะมันใหญ่แต่ชายคาเนี่ยแหละแต่ตัวอาคารจริงๆนะมันไม่ใหญ่หรอเล็กกว่าท่านวัดแล้วคอยท่านไปทำเฮ้อเออทั้งเฮ้อจากนั้นมาใครบอโอ้ชาลาอาจารย์อินใหญ่ดำไป ปากโซกโปกด่าอะไรตัวนี้จากนั้นก็เลยเงียบเลยตันี้นี่แหละความเป็นมาของวัดของหลวงพ่อไม่ใช่ธรรมดาและลูกหลานด้วยหลวงพ่อในใหญ่ก็พ่อก่อกับครูอจะทําสิ่งไหนขึ้นมาก็ต้องดูซะก่อนเหมือนกับรังต่อรังแตนะต่อเติมไปเรื่อยๆหลวงพ่อไม่ได้สร้างอะไรใหญ่แต่ศาลาข้างนอก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 แล้วระบบน้ำปลาปลาท่านก็นให้หลายหลายอย่างคุณโยมคุณยนะายนับว่าเป็นบุญคุณนะอืมคุณโยมสายหยุดโหรวงแต่นี้ท่านก็บรรดาไปแล้วอายุเก้าสิบกว่าปีนี่แหละท่านก็มอบปัจจัยให้หลวงพ่อก็ได้ทําน่ะมีป้ายขึ้นอยู่นั้นนะอระ บ, บุชื่อท่านอยู่นี่แหละจากนั้นก็ได้ทําเอาไว้กทิ้งเอาไว้พอต่อมาวัดของเรามันแน่น หลวงพ่อืออก็น่าจะไปทำนะก็เลยเนี่ยนะท่านหน่อยที่นั่งทางซ้ายมือหลวงพ่อไปคิดดูสิวะ่ะไปออกแบบออกแปลนเลยสิหลวงพ่อก็เลยเป็นคนกะเกณพื้นที่เสร็จแล้วก็ได้สร้างศาลาหลังนั้นขึ้นมานะแต่หลวงพ่อก็ยังคิดบอกยังบอกเราคิดถูกว่นะยังชมตัวเองอยูน่นะลูกหลานนะ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 สิตริมาหามายามีน้องสาวอยู่คนคือนางโคตเมยจากนั้นพระเจ้าทุโทธทนะก็เห็นว่าควรจะเอาเน่น้องสาวของสิตริมาหามายามาดูแลสิทธัตถะนะก็เลยแต่งงานยกขึ้นเป็นอัครมเหสีคือนางโคตเมดูแลมาดูแลพระพุทธเจ้านะสิท ธ, ธนะัตถะแต่แ บ, บนะเบาอายุเจ็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 สามคนแต่นางโคตมินรักจิตธาตเนี่ยรักลูกพี่สาวนี่ยิ่งกว่าลูกตัวเองเอ่ะก็คงจะมีความผูกพันในอดีตชาติด้วยน ะ, ะจากนั้นศิทธาตเนี่ยก็คลองได้อายุยี่สิบเก้าปีทั้งก็ณจงไปบวชเมื่อได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนางโคตมีเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าออกไปบวช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 ขนาดเสื้อเจ้าในเวียงวังนะอทำทำผ้านะจากนั้นพระองค์ก็ไปบําเพ็ญทั้งหกปีได้ตัสรุปเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนนะจากนั้นพระองค์เสด็จกลับมาโปรดพระบิดากับพระพระปรยุพระปรยุรญาตนะิพอมาท่านั้น น, ะนางโคตเตมีกันนั้นนะได้ผ้าที่ว่าตัวเองทนุถนอมที่ว่าทําให้ดีที่สุด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 ه, คือน้องสาวแม่พอพุทธองค์ก็รับรับผ่านะพอรับเสร็จท่านก็ได้ผ่านแะ้สำเรืองให้พระสารีบุตรอ่ะสารีบุตรเอาไปใช้จน้นเห็นี้ผ้าของผ้าของโยมโยมวมัรดาโยมแม่นางโคตเมท่านเอาไปใช้จ่ะพอพอสารีบุตรได้รับท่านก็เป็นพระทหารใช่ไหมท่านรู้ พระจิตเราว่ารู้เรื่องของพระพุทธเจ้าพระฤษสารีกุศยื่นต่อพระโมคคลาอีกอพอยื่อลงไปจงไปถึงองค์จุดท้ายองค์จุดท้ายนั่งจุดท้ายนั่น่เพื่งผ้าบวชใหม่ฮะเอะนางโคแตมีเนวัดใจเนี่ยทุกทุกต่อมตุกทุต่อพราะตัวเองตั้งใจถวายผ้ากับพระพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ยด้วยความตั้งใจอ ย, อย่างสูงส่งสูงสุด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 เสียใจหนพระพุทธองค์ไม่รับผ้าพระองค์บอกว่าโคตมีพระองค์ที่รับองค์สุดท้ายนะนะไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดางคองนี่แต่ต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นพระอชิรยเมตรไยรองจากเราตถาคตเนี่ยนะองค์รองเราในองค์ท <c oughs> ี่ส <c oughs> <op> like ี่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 เป็นภาษีอริยเมตไตรในอนาคตนะนะคุณเธอควรจะภาคภูมิใจ น, ะนางโคตมีก็หายสงสัยอนุโมทนาสาธุนะ เ, เต็มอกเต็มใจจากนั้นพระรงองค์ก็ประกาศพระศาสนานางโคตมีเนะี่ยไม่ไหวยอยากจะบวชเยนะ่ยอยากจะบวชเป็นภิกษุณนะีเนี่อพระองค์บอกว่าไม่รับภิกษุณีไม่รับจากนั้น